เพื่อนมีคณะเป็นคณะคณะไม่ว่าสารวัตรแม้แต่มาเป็นพระแล้วก็ไม่พ้นจากความอยู่ร่วมกันผิดกับสัตว์บางประเภทที่เขาอยู่ตัวเดียวเขาสัตว์ป่าบางประเภทอยู่ตัวเดียวบางประเทศก็เป็นหมู่เป็นคณะ เป็นทั้งปงูแต่มนุษย์ดานี้แม่จะไม่ว่าที่ใดทั่วโลกไม่ปรากฏว่าอยู่คนเดียวไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องมีหมูนะเป็นครอบเป็นครัวเป็ น, ปนทัง้งคนมีเครื่องปู ระวังไม่ขี้ขาดก็ถูก <Okay. S 1> ตามนี้ <Okay. S 1> เป้นสัยของมนุษย์ <Okay. S 1> ที่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ไม่ผิดงี้เราเป็นพระห เ, เป็นผู้ดดดเดี่ยวควรจะอยู่ลาําพังอนเดียวแต่หลักใหญ่ก็ต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเกี่ยวข้องกับหมกับคณะอยู่โดยดีย เนี้ยจะออกไปบำเพึญในสถานที่ต่างๆด้วยความเป็นผู้มีตนคนเดียวแต่โอกาสยุคความจำเป็นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะกับครูบาอาจารย์เกี่ยวการศึกษาพระลกูกอสมข้อข้องใจต่างๆยอง่อมมีอยู่เป็นรักเป็นตอนทุดท้ายก็เห็นว่าเป็นสัตวหมู่กัตคณะอีกเหมือนกันเป็นประเพียนน่าต่างกัน นักท่กฎระเบียบข้อบังคับที่จะให้แสดงออกของพระกับของครวาว่านั้นต่างกันเพราะมีกฎมีระเบียบโดยหลักธรรมวินัยเป็นสําคัญการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมตึงให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยเมื่อเาจะแสดงทางจิตคิดออกมาด้ว ย, ยผลกลไกลอันใดก็ตาม ก็ต้องเรียนระมัดระวังทั้งดวงความคิดว่าผิดหรือถูกอยู่โดยดีไม่ผิดธรรมก็ต้องผิดอิจไม่ผิดวินัยก็ต้องผิดธรรมผิดที่ัยเป็นความยากผิดธรรมเป็นความละเอียดเป็นเรื่องของเนตริเลย ต, ต้องระมัดระวังเพราะเรานำแก้พิริเลยคือไม่ควรนอนใจในความคิดเช่นนั้นทางวาจาที่เกี่ยวข้องมมกับคนนั้นที่จะต้องพูดก็ต้องเร้ยนระมัดระวังรักษา ทางกายเหมือนกันเกี่ยวข้องกับปุ่กับพระนั้นี้โดยลําพังคนเดียวการกระทําจริงได้ต้องคำนึงั้งกดระเบียบข้อบังคับคือหลักธรรมนี้นเป็นทางเดินต่อยวางไม่ได้แม้จะอยู่ p, ổ, h, เป็นหมู่กันคณะก็มีลัทธิมีข้อบังคับมีกดมีเกณฑ์เป็นเครื่องบรินดีในองค์คณะเดียวกันที่ตุนพระ เสพราชเขาก็มีข้อหมายบ้านเมเป็นเครื่องปกครองกฎประเทณีมนก่อนแล้วก็อยากไปตามเทศจสังขารว่าซึ่งม่ใช่จุดหวดกขันในความประพฤติจิวิยายการทํางออกทุกแง่ทุกมุมอะไรนะักเหมือนกระครั้งนี้ก็พูดถูกต้องตามหลักของความเป็นนักบวชแล้ว ต้องมีการระมัดรวังอยู่ทุกระยะทุกเอยา์บอกใ่เราดูรวมห น, น, น, นึ่งรวมคณะกันตรงนี้เฉลีนีสายไม่เหมือนกันตางลายต่างเป็นของตัวของตัวมาดัางเดิมแม้จะมีกี่รายด้วยกันมีกี่รูปกี่องค์ด้วยกันก็ตามเฉิี่ยนี่สายอันเป็นแกนเดิม ซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั่นย่อมเป็นของตัวเองอันนี้ก็ศึกราไม่ว่าเป็นของแต่ละลายละแต่การแทดงออกมาจากนิสัยนั้นตึงระวังที่จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อหลักธรรมหลักไิน อ, อันนั้นไม่ใช่นิสัยแต่ถึงตลอดถึงการกระทบกระเทือนแก่มูลพนักที่อยู่ร่วมกัน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 เป็นสัญญาอารมณ์ที่มาเกาะกวนจิตใจให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายให้สงบตัวเขาสู่สมาธิในขณะที่ทำก่อนเพียงนั้นไม่ได้ด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องระมระัดระวังรักษาผู้ใดราใดให้ถือว่าเราเป็นพระเป็มภูมิความสมมติว่าเป็นพระแล้วหลังจงรักษาภูมิ <c oughs> ความเป็นพระของตนทั้งอยู่ภายในจิตใจและการแสดงออกและสู่ภายนอกเพื่อกายวายสนา อย่าให้มีการกระทบกระเทือนเร่งกรรมาการ <c oughs> เรื่องพิฐิมารนณะ์อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงนั้นถือว่าเป็นฆาตสิแกแห่ตนด้วยถือว่าเป็นฆาตสิแกแห่วงคณะด้วยใครๆอย่านําออกมาให้เลี่ยลาศาดกระจาย จ, จ, จะเป็นการกระทบกระเทือนตกกับตกในวงหมู่คณะหาความผาสุกไม่ได้ <c oughs> เฉพาะอย่างยิ่งวงพระกรรมาฐานนี้เป็นวงที่ละเอียดการประพฤติปฏิบัติก็ละเอียดคือละเอียดตามหลักทำหลักวินัยนั่นแหละไม่ได้หาความละเอียดนอกเขตนอกแหนแบบแนวมาจากหลักมาจากไหนโดยถือหลักทำหลักวินัยเป็นเครื่องลำเนินเพราะหลักทำหลักวินัยนั้นเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนมากทีเดียวการเราอยากเราจะทราบได้ชัดก็เวลาปฏิบัติตทางด้านจิตใจ จะมีความละเอียดอ่อนเข้าไปเท่าไรเรายิ่งเห็นความซึ้งของธรรมว่ามีความละเอียดอ่อนไปเท่านั้นและในขณะดเดียวกันวิเลกก็มีความละเอียดอ่อนไปตางๆกันซึ่งจะไว้ใจหรือนอนใจไม่ได้ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการอยู่ด้วยกันด้ว <c oughs> ความผาสุป ก, ก็คือต่างคนต่างาระมัดระวังวิเลกของตนม่ให้สแสดงออก มันเป็นการกระทบกระตือนตนเองให้วุ่นขุนมัวไปด้วยเป็นการกระทบกระเทือนผูมมอนนรรอน้อื่นให้เกิดสัญญาอารมณ์เป็นความอยู่ไม่สะดวกสบายและแยราคาซึ่งการะกันด้วยซึ่งเป็นความเสียหายทางด้านยิตะภาวนาเป็นสําคัญแม้แต่ไม่มีสัญญาอารมณ์อันใดนาเกี่ยวข้องวุ่นวายขึ้นเชือกเป็นความผิดเป็นเล็กเป็น้อยเมตตากดเลยขนาดนั้นยังภาวนาไม่ลง เพาะจิตเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติอันหนึ่งผลักดันออกมาให้คิดให้ตึงเครียงนั้นเรื่องนี้ทาความขอควรตัวเองให้ยุ่งเหยงยุ่งเหยิงวุ่นวายจนถึงกับเข้าสูขขส่ความสงบไม่ได้ทั้งๆที่เราทําความเพียรเพื่อความสงบนี่ปกติของจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีเรื่อ ง, องมีรำอะไรเข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มไปขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนเจ็บปวมากขึ้นและ แล้วบาปศาสรอาจไปถึงบงคณะหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันมากน้อยให้รับความไม่พาสุกไปตามๆกันก็คุณชื่อกระชือเป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเองและผู้อื่นเห็นไม่สมควรแก่เราที่งเป็นนักปฏิบัติเพื่อมากําจัดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลด้วยสิ่งต่างช้าเดือดจทั้งหลายเหล่านี้การอยู่ร่วมกันด้วยความพาสุกก็คือต่างคนต่างปกครองตนเอง การคนต่างรักษาตัวเองมาให้มีกิริยาอาการอันใดแสดงออกมาอันเป็นเรื่องของเสื่อต่อมือพันะมีเป็นหลักใหญ่แห่การอยู่ร่วมกันเมื่อไม่มีอะไรต่างองค์ต่างมีเหตุมีผลมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งจุดหลักธรรมเป็นเครื่องนำเนริยู่เสมอแล้วย่อมไม่มีการถืเงื่อนตัวถือที่ตีมานะ หรือแต่ความถูกต้องเป็นกฎเกณฑ์ออกมาจากธรรมเป็นขั้นตอนแงจิตจะไม่มีความทสงบก็ไม่เป็นทุกข์เพราะโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเราไมไ่ให้โอกาสมันเกิดขึ้นมามีก็เป็นความผาสุขหรือความสงบ อ, อันนี้อานุปัฏฐะสัตายะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขในวงศณะนน เ, น, เ น, นี่นี่ถึงกับการยานมิตรทัางนั้น แล้วการมองกันอย่ามองในนี่ร้ายให้มองในเแง่เหตุผลเสมอหากมีเหตุผลหร่อหากมีความจําเป็นที่จะมองกันที่จะคิดเกี่ยวข้องถึงกันแลรณ์ที่อยู่ร่วมกันให้คิดเผื่อไว้เสมอด้วยความนเมตตาความให้อภัยซึ่งกันและกันนี้เป็นหลักของผู้ปฏิบัติและไม่ให้มองในในีง่ร้าย หากว่ามีความองเห็นองใดมีความผิดกลาดจากหลักธรรมหลักวินัยก็ให้ตักเตือนซึ่งกันและกันได้ด้วยความเป็นธรรมผู้รับฟังก็ฟังเพื่อความเป็นธรรมเนืเพื่อจะแก้ยิ้มหดับแปลนตนเองให้เป็นไปตามหลักความถูกต้องที่ท่านผู้นั้นอ่าสั่สอนหรือตือนนี่ชื่อว่าเป็นความถูกต้องทั้งสองฝ่ายผูดเตือนก็เตือนด้วยความเป็นธรรมไม่ได้เตือนด้วยความยกโทษไม่ได้เตือนด้วยความอารมณ์ความโกรธความแค้นความดูถูก เหยียดหยามซึ่งกากันกผู้รับก็รับด้วยความเป็นธรรมเทอดทูนในคำตักเตือนของผู้อื่นที่มาชี้โทษซึ่งเป็นเหมือนกับชี่บอกขุมทรัพย์ของตนเองได้ดังเลยเป็นความถูกต้องทั้งสองบ่ายการอยู่ร่วมกันเป็นสำคัญถ้าหาก็มีรายใด ร, รายหนึ่งแสดง <c oughs> ยิธาการหลุดมาในทางไม่ถูกอัดทำ เป็นการกระทบกระเทือนในจิตฝังท้ายหูสายตาของของคนอื่นตะ ด, ดับถึงการสรุกใจด้วยแล้วจะเป็นความกระทบกระเทือนทั่วกันทั้งวัดด้วยเหตุนี้เองการอยู่ร่วมกันจึงต้องได้ระมกกัดกะวังในนี้ความอภัยกันไว้เสมอสมกับเราเป็นนักธรรมะที่เต็มไปด้วยธรรมมีเมตตากรุณาเป็นสาคัญ มีเป็นพื้นฐานของกิจผู้ปฏิบัติดูด่โดยปกติก็ต้องเจริญเมตตาเพื่อสัตว์ทั้งหลาย ส, ส, าสัพเพกตาสุกิตาหนตุสัพเพกต า, าเวราหนตุก็เรื่อยนอกจากนั้นก็จะเจริญการณียเมตตาสุวิรูปะเขหรืออภรญรยาผมิหารที่ท่านกล่าวไว้ว่า อธิโคเตนะทรโตาจานตาปัจจาตายะหตา ส, มาสมาัมมาสัมพุทโธนะนตัวอางจากนั้นทน่าเมตตาซาคเตนะเกิดะาเอกังดิสังพรตัวยิงนาติในบทที่นี้ว่าไป เมตาสหากะเตนะเจรซาเอากามิสัิตวาวิหายตินั่งเลยรู้ที่ยังจะดูท่านจะอะไรก็เตียนจะท่านเรื่อยไปจงถึงเขาโลกังพิตรวาวิหายติคือกส บ, บางอะไริตวาวิหายติตันว่าแด้เลยวิวนคที่แรกก็ เมตตาตาัตเต็นเกี่ยวราบเอกัิสั้างพรศวายานะิตท่าดูยังแตท่าตเกียงแตท่าจะลุ่มข้างอิวุอิวุตอิวุโทติแล้วก็งั้นเรลืมเนี่ยมันจะลืม่ไไมันคล <insp> ่องต่างเน่เวลามาพูดมันก็ลืมสมาธิพลวะสวาตาต่าแล้วก็สบังโลกันพรศวายานิ ที่นี้ก็ประมาณในนอเวรนาอเดลตะเชนนะพระวิวะหายติดเกินนามิสเกินนาจาเกินเจรชาก็เหมือนกันเหมือนกันนี่ท่านเรียกอปัญญาภูมีหานควรเจริญเสมอสําหรับพระนี่พูดมาพอเป็นปากเป็นทางนี่ท่านทั้งหลายเลยพี่เอานําไปปฏิบัติเป็นความร่วมเย็นเป็นสุดเจริญเมตตาจากนั้นก็บําเพ็ญตัวเองทางด้านจิตตะภาวนา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 เวลาอยู่ร่วมกันก็เป็นมีความทาสุกข์ร่วมกันมีเป็นหลักใหญ่ของการปกครองด้วยอย่างนี้เองผมจึงรักพระมากๆไม่ได้เพราะได้พที่นานแล้วเราไม่คิดกลัวอดกลัวอยากเรื่องจะถูกประแจเทาทางที่เขจะมาบำรุงรักษาพระในในว่าต้องเรากลัวว่า ม, มากต่จะไม่เพียงพออย่างนี้เราไม่ได้คิดเราคิดในแง่การปกครองซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นเป็นวนมาก อาจดูแลไม่ทั่วถึงหรืออาจมีรายได้ลางที่ทาให้เกิดความเสียหายกับกระเตือ น, นแจกหมู่คณะแล้วก็เป็นความเด็ดด้อนแต่ทั่วทั้งวัดซึ่งไม่ใช่เป็นของดีเลยการรับไม่พอประมาณการแนะนําสั่งสอนก็เต็มเม็ดเต็เมหงมองดูอะไราๆการดูแลก็ทั่วถึง<ด>รายรๆก็ตามทำมากแล้วไม่ดีมากเกินไปการทำอะไรก็ช้า ถึงการโขกการขันแทนที่จะเร็วก็ช้าจากนั้นจัดนี้ถ้าเนมีมากเท่าไรก็ยิ่งจัดเป็นเวลานานทำเมื่อกว่าจะ เ, เสร็จก็สายอากนั้นกจับนั้นจากนี้กว่าจะ เ, เสร็จก็กินเวลานานๆแล้วยังต้องทํานั่นเพื่อ อ, อุณนั่นทนํา น, นี้เพื่อ อ, อุณนี้เพื่อกันอยู่ทั้งวัดมีกันนานมากเท่าไรก็เพื่อกันมากเท่านั้นนี่เป็นเครื่องกังวลต่างหาความส มีหาเวลาที่จะประกอบความภาคพเพียนให้ในเรื่องความสดวกทา ง, ทางด้านจิตใจไม่ได้อังนี้เขาไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นอันใดเอเนี้จึงรับเพียงพอประมาณปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วสามองค์ข้อขนาดนั้น่ะเรื่องความเมตตาสงสารหมูเพื่อนนั้นเมตตาสงสารทําไมจะไม่สงสารผู้มามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันทําไมจะไม่สงสารเราก็เคยเป็นผู้น้อยสอบแสวงหาครูอาจารย์มาเป็น ในลาบในลาบว่ากี่องนะก็ะจะพบท่านอาจารย์มั่นนี่เราก็เห็นใจแล้วเรื่องของเรานี่ออกเทียงเทียงใจของเรานี่ออกเทียงเทียงของออกเทียงเทียงใจของหมู่คณะไม่อย่างนั้นการปฏิบัติต่อกันไม่ถูกเพราะเรื่องมันเหมือนเหมือนกันแต่เท่าที่รับไม่ได้เท่าที่รับนี้ก็พอเห็นว่าพอสมควรแล้วธรรมะคนนี้ก็เฟอเดี๋ยวก็เะเลอะเถอะเถอะแต่หมดเจนเจนกลางกลา <c oughs> ดูแม่นัาคนหนึ่งทาอย่างหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งอกผมก็แตกขนาดที่เราอยู่ด้วยกันเวลานี้บางท่านบางองค์อาจจะเข้าใจว่าวัดนี้มีความเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์นี่เพราเห็นว่าไม่เคยเห็นที่เราดำเนินมาตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างไรเราจะเห็นได้จากประชาชนทั้งหลายที่เขายกยอเสนอ ร, ร, รัฐบาลด่า แบบไม่มีวัดไหนเสมอไม่มีวัดไหนเทียบแข่งได้เนี่ยเขาพูดถึงว่าแข่ก็ไม่มีวัดไหนงความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างตลอดท่าหนึ่ ง, ง, ง, งมีจำนวนมากน้อยนี้ความสวยงามตามๆกันหมดไม่มีองค์ไหนสิแสดงอากับคุณยาที่ไม่น่าดูให้เห็นในวงพระของมัสสามันตา น, นั้นเลย น, นี่เขาชมแต่เราอยากไปดีใจเรื่องความชมของเขาเพียงเท่านี้นี่เราะละมด ย่อนยานต่อหมู่ต่อคณะลงมากมายทีเดียวท่องอะไรถึงต้องหย่อนยานลงมาก็ข้อมีจํานวนมากมันหักเป็นขึ้นไปเองพขมีมากก็มากเขาเป็นไปเองจะตุปเจัยสธานที่เกิดมามีมาอย่างที่เราเห็นนั่นแหละในการพุทธปฏิบัติของเราก็มาเดี๋ยวๆัาดนั้นคนก็มาเกี่ยวข้องมากวันหนึ่งวันหนึ่งเ้าหนึ่งเ้าหนึ่งมีมาก ขาดตะขาดเพียงเท่าหนึ่งสองเท่าแต่นั้นก็มีมาเลยขาดมีมากมีน้อยก็ต้องทำให้ยุ่งวุ่นวายจากนั่นจนัดนี้แต่เราจะทําอย่างไรเพราะเป็นศรัทธาเป็นอัจฉริยสายของผู้มาด้วยความสมัครใจอันนี้เป็นอัจฉิยาศัยถ้ามีใครที่จะห้ามใครได้การขบการชันของเราถ้าดูตามรัทธาทุกวันนี้มันก็เหลือเฟือ ความเหลือเกินในเรื่องจตุปัจจัยไตรฐานนี้เป็นสิ่งที่จะกดท่วงทางด้านจิตตะภาวนานลงได้ถ้าผู้ลืมตัวก็อาจจะเป็นความต่สร้าำลงไปเรื่อยๆก็ได้ไม่สงสยัยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องให้เห็นภายในสิ่งทั้งหลายอยู่เสมออย่าไปคุ้นเคยกับสิ่ดใดตายใจกับสิดใดแล้วจิตต้องจงสังอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็ทําลายทำของตัวเองอาหาความจเจริญนอกงาไม่ได้ก็ต้องระมัดระ ว, วงัง การปฏิบัติเป็นสิ่งสําคัญมากในเรื่องจิตกรรมภาวนาให้มีความห้าวหาญถ้ามีการต่อสู้ให้มีความเข้มแข็งอย่ามีความอ่อนแอทอดแท้แล้วกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไปจะไม่ไดผลประโยชน์อันใดเกิดขึ้นยีเลทุกประเภทให้พึงทราบว่าเป็นสิ่งที่ที่เหนียวแน่นที่สุดเป็นสิ่งที่แหลมคมฉลาดกว่าเราอยู่มาก เราจะทําแบบซซื่อๆเอซ่อๆแบงนี้จะไม่มีก่เหลสตัวนายหลุดลอยออกไปหรือหมอกยอมต่อเราได้เลยเพราะปกติที่เลสมีอํานาจอยู่แล้วบนจิตใจเอามีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าเราอยู่แล้วจึงได้เป็นนายเราเราว่าเราเป็นนายอะไรจึงนี้เรายังไม่ได้เป็นนายอะไร น, ะนอกจากเป็นหมอยของกิเลอส โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเท่านั้นความคิดความปรุงทุกแน่ทุกมุมที่แสดงออกมาจากใจนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความบงการของจิเลตให้คิดใ น, นเนี้ยนั่นเนี้ยมีก่อความไม่สุบเสอเีอใจไม่ใช่เรื่องอื่นใดไม่ใช่ผู้ใดคิดตัวกิเลสแต่ละประเภทต่อเภททักดันออกมาบังคับออกมาให้คิดให้ตรุงให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายใหงรักให้ทังให้เกลียดให้โกรธมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราไม่ยังไม่ทราบมันว่ามันเป็นไผ จะเรียกว่าเราฉลาดทันมันลึกฉลาดเนื้มันได้เราคล้อยตามมันทุกระยะที่คิดบุงออกไปความเครียดเราก็ไม่รู้สึกแต่ ว, ว่าเป็นกิเลสความโกรธเราก็ไม่รู้สึกแต่ ว, วเป็นกิเลสความรักความชังเราก็ไม่รู้สึกแต่ ว, ว่าเป็นแผนของกิเลสที่บังคับให้แสดงออกมาถ้าเรารู้มันอยู่ทุกระยะระยะไม่นานกิเลสต้องหมอกล้านี่เป็นหลักสําคัญมากสำหรับการปฏิบัติจะพึงสาเนียก ให้ถึงใจในเรื่องของกิเลสกับเรานั้นมีความเดือดร้ําต่ําสูงกันอยู่กว่ากันอยู่มากในเรื่องความฉลาดแหลมคมของมันกับของเราปัญหาที่กิเลสจะยอมจำนนได้ก็คือสติปัญญากับทาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลัสติเป็นของสําคัญปัญญาเป็นเครื่องขุดคน้นคุยเสียฟาดฟันกันลงไปสติเป็นผู้ควบคุมงานไม่ให้เผอตัว เนี้ยเมื่อทำไม่หยุดไม่ถอยสติก็มีความแก่แก้าสามารถขึ้นมาจนตายถึงสัมปัตยัญญาคือความรู้สึกตัวอยู่โดยเสมอเสมอไปได้จากความนึกได้เป็นระยะระยะของสติฉนั้นก็กลายเป็นสัมปัตยัญญาขึ้นมาเลือจากสัมปัตยัญญาไปแล้วก็เป็นมหาสติไปได้ปัญญาก็เหมือนกันลมลุกคลุกคลานเราอยากเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเฉยเฉยองหาอวบายคิดค้นสอกแสกฟิกแซกหนึ่ง คิดในแง่ต่างๆอันใดก็ตามถ้าเป็นอุบายที่จะทำให้กิเลสหุดลอยไปหรือให้กิเลสสงบลงพึ่งทราบว่านั่นคือธรรมปัญญาธรรมเราอย่าไปคอยจ้องตั้งแต่คำผีมันจะเป็นหนอนแท้กระดาษพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากพระไถยนี้แหละทำอยู่ที่พระไถ่ทำอยู่ที่ใจสติปัญญาอยู่ที่ใจผิดขึ้นมา ให้เห็นเหตุเห็นผลต่อสู้กับที่เดชเพราะที่เดชมันแหลมคมมากเป็นนายเหนือหัวเราทุกระยะที่คิดที่ตรุงที่สัมผัสทรัพย์ทกับสิ่งใดไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมตัวเข้าไปเป็นธรรมารมภาในจิตใจมีด้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของที่เดชเรายังไม่ยอมเห็นโทษของมันได้ก็เพราะเรายัางโง่กว่ามันเรามีความฉลาดกว่ามันแล้วพอมันตรึงแยบมันก็ฆ้า ตรงแยบมันก็ทราบหใช่เราพยายามทําไปจะเป็นไปอย่างที่พูดนี้โดยไม่ต้องสงสัยแต่พยายามฝึกจิตทั้งตัวเสมอ <c oughs> การอดอาหารเป็นสิ่งที่บรรเทาความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้ดีเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนความเปียนของเราแต่ผู้ประกอบความภาคเพียนในวาระที่อดอาหารแต่ละครั้งแต่ละครังแต่ละพักและตอนประนั้นให้พึงสังเกตตอนนี้อันหนึ่งผมก็เคยเป็นมาแล้วจึงนํามาเตือนเพื่อน เช่นเราอดอาหารเริ่มอทอาหารแต่เป็นลำหนักลำดาในครั้งแรกจิตใจมีความสม่ำเสมอจิตใจมีความสงบเย็นจิตใจมีสติถ้าถึงกับสติมีความจิบเนื่องไปแทบจะไม่เผลอแต่นี้พอเราเริ่มฉันในหันมันก็แับจะเผลอเผลอเป็นธรรมดาแต่ผลที่เราหน้ก็เป็นวาดไปแล้พอเรามาอดทิ่ที่หลัง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 สัศนของตนไว้ด้วยดีจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ตามสิ่งที่เป็นไปแล้วในวาระก่อนนั้นจะดีขนาดไหนจิตจะสงบขนาดไหนมีความแน่หนามั่นคงสงบร่มเย็นขนาดไหนก็เป็นไปแล้วเป็นไปจากความเพียรนี้เองซึ่งกําลังเพียรอยู่เวลานี้ให้เป็นประจักษ์อะไรมีสตินเป็นผู้ควบคุมงานให้ตั้งลงหลักปัจจุบันอย่าไะคาดต่หมายผลที่เกิดที่เป็นมาแล้วสูงต่ําประการใดก็ตามอย่าไะคาดอย่าไปหมายอย่าเอานํามาเป็นอารมณ์จะเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจ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 ภาวนานั้นเสมอเห็นพุโทโธก็ตามอัตติก็ตามเกสาโลมานะขาทัตพันตาตัดโจบทใดก็ตามให้จิตมันติดจิ่นั้นไม่ให้มันไปทํางานอื่นถ้าปล่อยนี่เสียงก็ไปทํางานอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสบ่งการบ่งงานให้ทำไม่ใช่เรื่องของทำ บ, บ่งการให้ทำเสียเราตั้งขึ้นมาเองก็ให้เกาะ อ, อยู่กับบริกรรมบริกรรม บ, บทใดบทหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราเป็นผู้สั่งงานเองเพราะอาศัยธรรมมาเป็นเครื่องสั่งงาน เวลาทำํำลงไปก็เป็นธรรมจิตใจเกาสงบนี่นะเป็นหักการปฏิบัติงานที่จะตั้งหลักตั้งฐานเบื้องต้นนี้ลําบากถือมากเหมือนกันจะลําบากแค่ไหนอยาถือเป็นอารมณ์อีกเหมือนกันนะใถือว่าความเพียรเป็นสิ่ที่เราจะเพื่อความพ้นทุกข์นี้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเพิ่มพูนขึ้นให้มากสติเราจะเพิ่มพูนให้มากให้มีความเหนียวแน่นให้มีความมั่นคงให้มีความสืบต่อ ทำความรูู้กตัวอยู่เสมอปัญญาในโอกาสที่ควรจะพิจารณาก็ให้พีนารณาแยกแยะทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเทียงกันมรคนั้นเป็นได้ทั้งภายนอกภายในยปัญญาเป็นได้ทั้งภายนอกภายในยถ้าทําให้เป็นปัญญาที่เรียกว่ามรเราจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องอันนี้จัเอาภายนอกมาพิจารณาเทียบกับภายในยอย่างนี้ก็ได้เอาพิจาาภายในเทียบกับภายนอกนี้มันก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละมันไม่ได้ติดแกอะไรเรื่องอันนี้จทุกข์ของหน้าตาอุปหะอุปภังของปฏิปุณโสโคร มันมีเต็มไปหมดทั้งภายนอกภายในรูปชาตรูปบุคคลรูปหญิงรูปชายเราจะพิจารณาเยกแยะอย่างไรให้เป็นอุบายวิธีของเราในกพิจะะารณาในการที่จะพิจะะารณาแต่เวลาต้องการความสงบให้ตั้งหน้าตัางา้งตาทำเพื่อความสงบด้วยคำใบริกรรมบนนุดใดหรืออนามานัสติก็ตามแต่จดดิษสัยที่ชอบแต่ให้มีความสุบเนื่องด้วยสติอยู่เสมอความรู้จะได้สืบต่อกันกับงานทั้งต่อ เมื่อความรู้สึกต่อกันจิตใจไม่มีเวลาสาแสบสาย้า ย, ยนอกแล้วจิตก็รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามากระแสทั้งหมดรวมเข้ามาเป็นตัวของตัวกายเป็นจุดแห่งความสงบากายกายเป็นจุดเด่นขึ้นมาที่ใจเมื่อจุดตากฏจุดเด่นขึ้นมาที่ใจเรียกว่าใจเริ่มสงบสงบเข้ามาความคิดตรุงก็เบาบางลงไปเบาบางไปจนกระทั่งความแม้ที่จุดความคิดตรงในเรื่องทําบริกรรม ก็ค่อยเบาลงไปบาลงไปกลายเป็นความรู้ที่เด่นขึ้นมาจะบริกรรมด้วยไม่บริกรรมความรู้ก็เป็นความรู้อยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าจิตรวมตัวเข้าเป็นตัวของตัวแล้วแเราก็อยู่กับตร ง, น, ร ง, ง, งนั้นเอฉยคือจิตสงบให้ตัณหาตัณตาทําธรรมะเป็นของเป็นธรรมชาติจิตกระเติรตสุดไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วล่ะในโลกอันนี้วิริย์เป็นของ ตำตามเป็นของสกรปรกแต่เรายังไม่เคยเห็นทำเรายังไม่เคยเห็นธรรมชาติรราที่ประากฏเป็นลํำดับลำดับไปจึงไม่มีอะไรเข้ามาเทียบเทียงเป็นคู่แข่งกับพิเดษ จ, จึงยอมรับพิเดษเรืร่อยไปคล้อยตามพิเดษเชื่อพิเดษเรื่อยไปให้พิเดษกลอมไปเรื่อไไยๆพอเรามีสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับกับพิเดษแล้วพิเดษก็มันก็กลายเป็นของกลอมไป ธรรมะก็กลายเป็นของจริงขึ้นมาเป็นคู่แข่งขึ้นมาแล้วสลัดที่เหลือจะได้เป็นลำนำดับแล้วเห็นภัยของที่เหลือประเภทต่างๆไปทุกระยะระยะระยะเพราะมีธรรมเป็นเครื่องเทียบเทียงมีธรรมเป็นคู่แข่งธรรมคือความสงบก็ตามธรรมคือความแยบยลของใจก็ตามความสงบขันใดก็ตามปัญญามีความละเอียดแล้มคมขนาดใดก็ตามล้วนแล้วตั้งจะเรียกว่าธรรมตั้งแต่เป็นธรรมที่เป็นคู่แข่งของที่เหลือในซาตถ้าเจนระหว่างที่เหลือ ก, กับธรรมนี้อันไหนที่ มีความดีต่อกันมีความสุขความสบายต่างกันอย่างบ้างมันรู้ทันทีทางเทีก็คือเน่แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายยิ่ไม่ย่อท้อในความภาคเปี่ยนน้องตนจนสามารถทําให้จิตใจของตนให้หลุดพ้นจากที่เหกโดยประการทั้งปวงไปได้ก็เพราะอำ น, อ น, นาจแห่งธรรมเป็นธรรมารถคือรถแห่งธรรมชนะอื่นรถทั้งปวงรถทั้งปวงเกินมากกับรถอิเล็กทรนิกส์จะเป็นรถอะไร รสชนิดไหนแต่หน้ามีมักจะมีแต่รถที่เล็กเท่านั้นธรรมะนิชนะที่เล็กที่เล็กยอมแต่ทําที่เล็กไม่ต้กลัวอะไรกลัวทําและยอมทําแล้วทําอย่างไรที่เล็กถึงจะยอมถึงจะกลัวทําแล้วยกขึ้นมาธรรมะที่เป็นฝ่ายทําปฏิบัตปฏิบัติตนเองอย่าลดละทอ้อถอยเราจะเห็นแดนแห่งความสงบขึ้นที่ใจจะเห็นความกัจจาวางกัจจางแจ้งขึ้นที่ใจ แล้วอุบายวิธีต่างๆจะเห็นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆภายในจิตใจเมื่อได้เปิดทางให้เดินแล้วทำมีวันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่เลือกอิดียาบถไม่เลือกกามสถานที่ถึงวาระธรรมที่จะเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับวาระของกิเลสที่มันเกิดขึ้นห้องมันนั่นแหละมันมีช่องมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้มีอำนาจที่จะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเรศเกิดขึ้นมากเท่าไรก็ยิ่งมีความทุกข์มากนี่ธรรมะเกิดขึ้นมากเท่าไรยิ่งมีความสุขมากนี่มันเป็นเครื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันเราเห็นอย่างชัดเจนในใจดวงเดียวนั้นแหละพิเรศเคยครองเข้าใจเรามานานแล้วแต่ควรจะเฉดฉลาดเพราะทิฏัยของมันเราก็ควรจะเฉดฉลาบได้แล้วเพราะอํนนานาจแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเป็นคู่แข่งเป็นเครื่องเทียบเคียงกันนั่นตอนนั้นก็เริ่ม ง, งานไอ้ที่ขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆ อย่างน้อยก็ต้องพยายามทําจิตใจให้สงบจะมีความสุขความสบายนักบวชของเราเฉ พ, า ะ, เพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติถ้าใจหาความสงบไม่ได้เลยนั้นอยากเข้าใจว่าจะมีความสุขนะอยู่กับหมูกับเพื่อนมันก็เป็นไฟไปหมดนั่นะภายใ น, ในใ จ, จิตใจเป็นแต่เพียงไม่แสดงออกแม้แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่เห็นอืประเสริฐเลิอดเลืออะไรเพราะจิตนั้นน่ะมันเป็นไฟคิดออกคะแนนแง่ใดก็เลยเป็นไฟจิตไม่มีของสัจจันต์ไม่มีของแปลกประหลาดอยู่ภายในตัว มันมีแต่เรื่องของกิเลสคิดไปเรื่องหมู่เรื่องเปื่อนเรื่องครูบาอาจารย์ก็เลยเป็นเรื่องกิเลสไปหมดเห็นเป็นของไม่เปลกไม่อจจัศจรรย์อะไรมีแต่ความเฉื่อยชามีแต่ความทอแท้อ่อนแอแล้วก็ถอยหลังถอยหลังก็ถอยหลังให้กิเลสเหยียบย่ําทําลายเอาแหลกนั่นเองเราสมควรนั้นหรือซึ่งเป็นนักปฏิบัติลูกศิษฐ์าคตปรากฏในธรรมของพระพุทธเจา้าถึงเป็นธรรมอันเอกน่าจะมาทอดกายให้กิเลสเหยียบย่ำทำลาย ตั้งแต่พิษะลงมาถึงส่าเท้าหยาบย่ำซะจนแหลกจนเหลวมากี่พ๊ะผีถ่านแล้วยังไม่เก็บไม่หลาเราจะหาความสริหลักมาจากไหนเราเชื่อบริษารเชื่อได้ยังไงแต่ว่าราคาตันหาสารนังคาฉานี่มันกระโถงไม่มีมีมมมมมแต่สัตราคำพูดพูดทางคำมั่งซั่งคำสังคาฉานนี่ความจริงแน้วมันพวกราคะโทรศัพท์มือหักมันังาคานสนังคาฉาไมีม่อยู่ตลอดเวลา ยิ่งใกคิดสนิทกว่าอัดกว่าทำอุ่อัดทำทั้งหลายเราเลืกเป็นการเป็นเวลาส่วนที่เหลื อ, อ น, นี้มันมีอยู่กับหัวใจฝังอยู่กับหัวใจเพราะมันเข้าแนบสนิดกับติดกับใจแล้วเนี่ยทำไม่มีทางที่จะแทรกเข้าไปได้มันก็เลยไม่มีอะไรอัศจรรย์พอจิตมีความสงบร่วมเด่มขึ้นมานี่ก็เริ่มเห็นสาระของตัวเองเริ่มเห็นสาระของจิตใ จ, จเริ่มเห็นสาระของหูของเพื่อนเห็นสาระของครูบาจารย์ยิ่งจิตมีความละเอียดเราออกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดอาจารย์ของครูบาอาจารย์ประเดยมแบบเพ็าะเหตุไรเพราะริ่งที่ ท่านแสดงให้ฟังมากน้อยลึกตื้นจากละเอียดแค่ไหนแต่ก่อนเราสักแต่ว่าฟังฟังมันไม่ได้ถึงใจพร้อมมีสักขีพยานปรากฏขึ้นติดใจซึ่งความส ง, งบก็เห็นได้ท่าทางในใจตามที่ท่านแสดงนั้นมันเป็นขึ้นในเราเป็นเครื่องรับจำแล้วถึงเรื่องปัญญาแต่ละขั้นละขั้นอุบายวิธีของสติปัญญาแต่ละภูมิละภูมิท่านแสดงไปยังไงมันก็ปรากฏขึ้นในใจของเราแล้วตลอดทุกผลที่เกิดขึ้นจากการจากปัญญาที่แก้ผิดถอที่ด ถ, อ, ถอนที่ทํางานได้เป็นความ ขาสะอาดภายในจิตใจมันก็ประจับกับใจนั่นก็ความเชื่อความลังสายในหมู่นในคณะในครูบาอาจารย์มันก็เป็นไปโดยลำดับเพราะจิตเป็นธรรมขอพากันพยายามผมพยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้ความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียอนก็มีอยู่ปัญหาเดียวที่ตอนเช้ามันก็แก้ไม่ตกจะทำํำไง มีแขกคนมาเกี่ยวความถ้ามันมีแขกคนก็สบายหมูเพื่นอนก็ไม่ต้องออยุ่งเหยิงวุ่นวารอคอยไปทําความสะอาดเช็ดถูสาราหรือเก็บก ว, วาดสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่นี้แขกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละจะทำยังไงมีผมคิดังเต็มใจแต่มันแก้ไม่ตกเพราะแขกมันแค่จําพวกเดียวถ้าจําพวกเดียวก็เคยมาก็มีปัญหาอะไรแล้วไล่ไปเลยไปฉะนั้นทางการเรื่องคุยปุ๊บทางทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกนั้นมาพวกนี้มามีแต่ใหม่ๆเรื่อยๆ พอจะเลิกภพนั้นมาพอจะเลิกพวกนี้มาติดต่อกันไปเรมันก็เลยสายไปเองให้มุ่งกวนที่จะคอยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูกเก็บนั่นเก็บนี้ก็ต้องคอยเสียเวลาไปด้วยอันนี้ผมคิดเหมือนกันแต่มันแก้ไม่ตก <c oughs> นอกจากนั้นก็ไม่มีงานมีการอะไรประกอบความเทียนเดินมากมันดีก็ให้เดินให้มาก ถ้ามันเหนื่อยมันเบียร์ถ้าเราไม่ได้ทํางานก็ควรเตยร่างกายมันก็มีเหมือนกันถ้ามันจะทำการทํางานอะไรอั น, นี้รู้สึกเส้นเอ็นมันจะแตกแเด น, น, น, น, นความไม่สะดวกสบายทางด้า น, นใจเดินมากๆเดินความเบียรนั่นแหละนั่นแหละทํางานนั่งเวลาจะควร น, นั่งมากหรือควร น, นั่งนานอันนี้มันตามแต่ความสามารถของตัวเองบอกกันไม่ได้บังคับกันไม่ได้ตามปบียาศัยตามความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติ อย่างผมเองที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังก็อย่างนั้นเหมือนกันที่แรกนั่งภาวนาพุทธะที่แรกนี่เพียงสามสิบนาทีมันก็เจ็บปวดไปหมดจากนั้นมามันก็ได้ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งจากนั้นมาผกับสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่งแต่ละครั้งละครั้งหนี่งสามสี่ชั่วโมงบมเวลามันจะเอาจีงวจังมันจะเป็นมันเป็นน้มันเองมันมีเหตุการณ์ทับขันที่ควรที่ต่อสู้กันให้เห็นนผล รู้แจ้ ка, งเห็นกินของกันและกันก็ขึ้นเวทีาตายเข้าว่าสักทีเนี่ย น, นั่งตลอดรุ่มอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไ ม, ม่ได้เิียก็นั่งตลอดรุ่มอะไรเนี่ยแต่เวลานั่งกันไปเราเฉลี่ยมันสมเข้ามาสมเข้ามาสมเข้ามารุมเข้ามารุ่มเข้ามาเอ๊ะเนี่ยมันยังไงยังไงกันมาเฮ้ยววะนั่นมันขึ้นอยู่นะถ้าจัหวะที่ขี่มาเนะี่ยก็ว่าไปเสียแต่มันเป็นฝ่ายทำนี่นะมันเป็นยังไงวะ มันเป็นเรื่องของมาร์กอย่างนี้ต่อสู้กับพี่เล่ของตัวเองนี่นะไม่ได้ไปต่อสู้กับใครถ้าไปไปว่าคนอื่นต่อสู้คนอื่น ม, มันเป็นพี่เล่ห์แต่เมือ่อเพื่อเอาใช้ในหน้าตัวเองนี้มันเป็นมากมากเป็นเครื่องต่อสู้กับพี่เล่ห์อย่างนี้มันก็หมุนเตี้ยวของมันนะเวลามาในหมุนแล้วก็อ้าตายว่างนันตั้งสัจจะฐาน ก, กึก๊กการข้ออะไรเวลานั้นเอาวนาวันนี้นะเราจะเอาให้เห็นความจริงที่มันแสดงอยู่อะนีน่เป็นพื่ออะไรไม่ตายก็สว่าง ออกจากทิศในระยะจากนี้ไปถึงะว่างจะไม่มีอันใดเขามาเกี่ยวข้องวุ่นวายในงานอันนี้ได้เลยหินก็เหมือนติว้วเตี้วติ้ว่งไปงานถึงวาระข้างมันที่จะเป็นมันเป็นข้างมันพอได้หลักได้เกียนจากการปฏิบัติแบบนี้ในระยะนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมืออันดีที่เราจะปฏิบัติในวาระต่อไปไม่จะชคจะท้า เรื่องทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเราได้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเข้าใจกันแล้วทุกเวทนาได้ขาดไปจากใจไม่สัมผัสซ้ำซ้อนซึ้นทางกันพอให้เกิดความตกตโือนแล้วก็ทราบแล้วกายทุกส่วนก็เป็นของจริงการส่วนของเขาเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยเขาก็ไม่รู้ความหมายของเขา <S <S 1> <S 1> เขาไม่ทราบเขาเป็นเวทนาเขาเป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเป็นความจริงเหมือนกัน ตั้งอยู่ตามสภาพของตนหยิบผักเป็นผู้ประสําคัญนั้นหมายถึ่งนั้นว่าเป็นนั่งสิ่งเนี้ยเป็นนี้แล้วว่าเราทุกตัวนั้นเราทุกตรงนี้แล้วรวมเข้ามาว่าเป็นเราเป็นเราเล้วสิ่งมานั่นขึ้นเป็นความจริงมาเผาตัวเองเพราะปัญญาไม่ทันเมื่อปัญญาได้แยกแยะเห็นตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกายทุกส่วนมันก็สับแต่ว่ากายเป็นความจริงเช่นั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนทนาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามธรรมชาติของเขา จิตเป็นผู้ไปสำคัญมันหมายต่างหากพอมารู้เรื่องของจิตผู้สำคัญมันหมายตัวสัญญาเป็นสําคัญมากพอมารู้เรื่องนี้จิตมันก็หดเข้าหดตัวก็ไปสัญญานั้นแหะมันหดตัวก็ไปหดตัวก็ไปก็ไปเห็นความจริงในใจตัวเองแตนั้นอกใจก็จริงจริงกายก็จริงเวทนาก็จริงจากอันต่างจริงแม้เวทนาจะไม่นะรับลงไปดักดุมไปตางมันก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจอยู่ได้อย่างสะดวกสบายใน มันเป็นอุบายสำคัญได้หลักได้เกินเกิดความอาถารจิตสงา่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่งะางแจ้งภายในจิตเห็นความปฏิจจังในตัวเองอย่างบอกไม่ถูกเรื่องไม่เคยเห็นมาเลยเพียงเท่านี้เราก็ได้สิ่งลึก้นเป็นที่ภูมิใจอย่างยิ่งเนี่ยเกิดความอาถารต่อเวทนาจนกระทั่งถึงรเรื่องของความตายเฮ้ยความตายมันจะมาจากไหนวะทุกตเวทนาหน้าไหนมันจะมาหลอกหลอน มันไม่เอาทุกเวทนาที่เป็นอยู่แล้วนี้ไปเป็นในขณะตายมันจะาทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราทุกเวทนาที่ปรากฏอยู่นี่เราได้เข้าใจมันแล้วตามความจริงตายก็เมืมีความหมายสําคัญอะไรขอให้รู้ความจริงก็แล้วกันธาตุตดินน้าลงไปต่างอันต่างสร้าหลายตัวลงไปจากความผสมมันก็ไปอยู่ตามความจริงข้างหน้าแล้วจิตมันตายที่ไหนว่ามันตายมันยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้ น, นในจิตก็เป็นตามความจริงของตัวเองและและอะไรตาย ดินน้ํามไฟไฟตายไฟที่หะไปที่ไหนไม่มีแล้วจิตเคยตายที่ไหนมันเห็นเด่นยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นตัวนี้หรือตัวจะตายมันเอาอะไรมาตายคนสาเหตไม่เห็นมีแต่ความเด่นดวงดีมันมันก็ยิ่งชัดน่าเลยเป็นความกล้าหาญขึ้นมาห ม, มายถึงเ ว, เวลาตามโอกาสที่ควรมันจะต่อสู้กันมันเป็นของมันเองเป็นอย่างนี้ทานขอให้ทุกท่านตั้ความพยายามอยากดลละท้อถอย พยายามอยู่โดยสมัครเสมอเอาสมบัติอันตรศึกษานี้มาครองหนึ่งหัวใจไอ้เรื่องกิเลสที่มาอยู่บนหัวใจเรานั้นักมันอยู่มานานตั้งกับทางการจนตัวเองก็ไม่ทราบว่าต้นทายทานมันมาจากไหนต้นทางมันมาจากไหนมาถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบกับข้อความมืดดาของเราเองย้อนแย้งตั้งแต่ยุคแรกนากของกิเลสที่กิเลสของยุ่ทําลายจิตใจนักผักพักดัง มาเกิดที่นั่นเกิด ท, ที่นี่เกิดที่ไหนจะมีแต่กิเลสพาให้เกิดกิเลสพาให้ตายกิเลสพาให้ทุกข์ให้ลำบากลำบนเราไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะเห็นโทษอะไรไม่มีอะไรทําโทษเรานอกจากกิเลสดึงพ้าอากาศร้อนหนาเป็นธรรมดาไม่ยุนแดงเหมือนกิเลสทําลายเราหรือทรมานเราบีบบังคับเรานี่อ่ะเอาลงจุดนี้ให้เห็นภายของจิตการปฏิบัติาทางด้านจิตใจ มีความจริงจังต่องานของตนเสมอเรื่องทันว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเราอย่ารอถับเปลีล่ยนเมล่ไม่ล่ะขนานไหนที่สมควรที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาฟาดลงไปปัญญาก็เพื่อจะแก้ที่เลสในหัวใจของเหล่านี้สมาธิก็เพื่อจะกดหัวเกิเลสให้มันหมอกลงไปภายในจิตใจของเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องที่จะปราบที่เลสทั้งนั้น ปัญญาเป็นสำคัญมากเราสังเกตดูเวลาเราตั้งใจพิรนาสิ่งใดถ้ามันเป็นสัญญาอารมณ์ไปมากมากมันทะเลสาไหลออกนอกลูก่นอกทางไปเสียให้รีบเข้ามาทางสมาธิกดหัวกี่เหลือความฟุ้งซ่านนั้นด้วยสมาะอารมณ์แห่งสมาะคือความสงบคืออะไรนี่เนี่ยคืออธิบายแล้ว ทำบทได้เป็นที่ถูกกระดิกจิตใจของเราแล้วนำทำบท น, นั้นมาเป็นสมถะเป็นเครื่องอยู่ของใจบั้งคับจริงจังใอยู่กับทำบท น, นั้นจริงๆเห็นกําหนดลมหายใจก็มีแต่ลมหายใจโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใจมันกระเพื่อมออกไปใจมันผักมันดันออกไปคิดเรื่องโลกเรื่องมสารเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะกิเลสเป็นตัวสําคัญทิดถักใสออกมา สังขัต้องพุ่ต้องปุงอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้สัญญาต้องหมา ย, ยานั้นหมายนี้มันมีจนกระรื่องของกิเลสซึ่งหาความสงบไม่ได้ยิ่งกว่าลิงเนี่ยกิเ็กเป็นอย่างนั้นเพรา ะ, ะนั้นจิตใจจึงต้องเป็นเหมือนลิงหมวพิจารณาทางด้านปัญญาถาบังคับจะแยกแยะดูอะไรไม่ได้เหตุเด็ผลดูทางอรุปอรูปังปจจปูณโสโครกกรรมได้ผล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 คือสมาธินั้นสังเกตตัวเองการพิจารณาการภาวนาะไม่สังเกตไม่ได้นะ่ะต้องสังเกตเราจะคอยเอาแต่อุออบาจารคูบาจารย์อย่างเดีว้วเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่เราเลยก็หาความฉลาดไม่ได้ขณะใดที่ควรจะใช้ปัญญาเป็นที่เหมาะสมกับอายะสายของเราหรือขณะนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วพิจารณาจะพิจารณาแบบ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 ไอ้ที่จะมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัตว์เปคนนี้รูปร่างนี้เอามาจากไหนคอนลงถึงธรรมชาติเดิมขึงหมาคือธาตุเดิขมขอ้นมาส่วนใหญ่ก็มีธาตุดิ่งผมผนและวฟันหนังเนื้อเอกระดูกเป็นต้นถึงมองเห็นด้วยตาเนื้อของเราชัดๆ น, นี่ก็เป็นธาตุดิง่ง น้ำมีน้ำลายเป็นต้นก็เป็นธาตุน้ำธาตุลมมีลมหายใจเป็นต้นมันเรียกธาตุลมธาตุไฟมีไฟความร้อนที่ย่อยอาหารไปธาตุที่ย่อยอาหารเป็นต้นนี่แล้วรวมส่วนใหญ่ของธาตุก็มีอยู่สี่ใจเข้ามาครองตัวอยู่นั้นมาจับจองเอาแล้วก็ปักหลักปักเขตปักเดนเอาตั้งสมมุติขึ้นมาเตะสันขึ้นมาว่านี่เป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นแขนเป็นค้าเป็นหูเป็นตาเป็นอวัยวะของเรา มันตรงขึ้นมาอย่างนี้โดยไม่มีใครบอกแม้แต่ศัตว์ก็เป็นเองเพราะเป็นหลักธรรมชาติที่เล็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ภายใ น, ในจิตใจโดยไม่ต้องมีโ ร, ง, รงเรียนโรงเรียนสอนกันที่เล็ดมันก็เป็นที่เล็ดอยู่โดยตรงนั่นแหละทีนี้ธาตุทั้งสี่ที่ละรวมตัวกันอยู่นี้มีกิจเข้าครองตัวและจับจองเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอวัยวะที่มีอยู่ในร่างอันนี้นั่นอ่ะฮึมตากฏตัวมากี่ปี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 แามาเสด็จสรรพันธ์ย่ถูกลวงจากกิเลสมานานเท่าไหร่อ้าวสมมติอันนี้สลายตัวลงไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนเราจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลได้อีกไหมจนดินก็ลงมาเป็นดินส่วนน้ําก็ลงมาเป็นน้ำส่วนลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟตามธาตุเดิมมันขอแล้วเราจะเรียกไฟว่าเป็นธาตุเป็นบุคคลได้ไหมลมยินอันนี้เป็นธาตุเป็นบุคคลได้ไหมเรียกไม่ได้นั่นพะรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีเวลาเข้ามาอยู่นี้ทําไมมาเรียกนะมันก็เป็นธาตุเดิมนั่นแท้ๆ พิจาณาให้ถึงความจริงอย่างนี้เรียกว่าปัญญามีใจเท่านั้นพายเคลื่อนไหวไปมาได้คือธาตุแท้ๆะ <c oughs> มันก็เหมือนก้อนดินก้อนหนึ่งนั่นแหละทีนี้แต่แลองจากอันนี้ลงไปก็เป็นอยู่ดินตามเดิมแต่เรามาว่าเป็นเราเป็นของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนสั่งปัญญ์ทุก กิเลสโกหกมาเต็ปนี้ยังจะกโกโโกหกไปอีกตลอดจกระทั่งวันตากในอัตภาพนี้ในก้อนธาตุก้อนหถ้าเราเรียนไม่ไม่จบสติปัญญาไม่ทันกลมมายาของกิเลสแล้วจะต้องแบกคำว่าสาระบุคคลว่าเราว่าเขาไปจนกระทั่งวันตานยแม้อันนี้สลายตัวลงไปตามความจริงของเขาแต่อุปทานความยึดมั่นก็ไม่สลาย จะฝังอยู่ภายในจิตเขาว่าเข้าถูติยนชี่วิ ญ, ญญาณในอัตภาพใดล้าในใดเขาจะไปอุปท า, านยึดมัน่นถือมั่นแบกหาหมู่นั้นว่าเป็นเราอีกหลไม่มีสิ้นสุดมีการพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างในให้เห็นตามความจริงซ้ําๆซากๆเอาจกนกระทั่งเข้าใจเสริมถึงจิตแล้วไม่ต้องบอกเรื่องอุปท า, านคือความยึดมันม่นถือมั่นมันปล่อยเองมันมีใครบังคับจะปล่อยได้ นอกจากปัญญาเป็นผู้แทนทะลุแล้วปล่อยได้ปล่อยเองปล่อยเองทั้งนั้นเข้าใจตรงไหนปล่อยปล่อยท่านจึงสอนให้พิจารณาเพื่อให้เข้าใจเข้าใจแล้วจะจะได้ปล่อยเพราะสิ่งอันนี้มันปลอมปลอมจากความจริงเรามันปีนเกลียวกับความจริงอู่กับความปลอมทั้งปลอมทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแเราไม่ทาราบจึงต้องพิจรารณาั้งหมาจะพูดถึงเรื่องอันนี้เรื่องปฏิกูลณโศขา ในเดียวที่มันก็มีแต่ขี้เต็มตัวขี้ผมขี้ขนขี้เล็บขี้ฟันขี้ใครขี้ภายนอ ก, กเต็มไปเลยขี้เข้าไปภายในอีกก็ยิ่งเต็มไปหมดมันมีอะไรมัเป็นของเสือของหงาหนังบางๆห่ออยู่นั้นบางๆเท่านั้นสติปัญญาแทงมาะลุเป็นไปได้หรือถ้าเราช้าสติปัญญาแทงมาจริง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 ซึ่งเป็นของหนักรวมกันแล้วยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกนี่เมื่อพิจารณาให้เห็นชัดเจนแล้วก็ปล่อยลงไปโดยลำดับๆจิตก็ดีดขึ้นดีดขึ้ น, นจนกระทั่งดีดขึ้นเป็นอิสระของตัวเองนั่นเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์เอาให้จริงให้จริงมีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติอยากตลอดแหละลาวอยากไอคาดนุ่นขาดนี่วัี่นุนจะดีที่นี่จะดียิ่งกว่าใน จดต่อลงไปในวงสัตจธรรมที่อธิบายมาแล้วสักครู่นี้นี่เป็นหลักใหญอยู่ที่ไหนต้องเอาหลักนี้เป็นหลักถมอนั่งผูกเป็นสนามรบได้เรียดอยู่ตรงนี้แหละไม่อยู่ที่อื่นอ๋อเห็นชัดเจนพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสวาคาตโตกวาตาทรรมโมตรัสไว้ชอบทุกสิ่งแล้วสอนไว้ชอบทุกสิ่งแล้วมียาณิโกเป็น ทำที่นำผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยแล้วจะสงสัยที่ไหนอีกกิเลสไม่มีใครประกาศสอนมันทำไมมันถึงจะเป็นครูของหลักพระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์สอนถึงแทบลงแทบตา่าทำไมทาพระเจ้าไม่มีฤทธิ์มิเรสหนือกิเลสได้มันเป็นยังไง ในวงปฏิบัติของเรานี่ควรจะได้ทําเป็นเครื่องเหนือกิเลสประหารทหารกิเลสให้หลุดลอยไปจากใจกิเลสไม่มีครูมีอาจารย์เรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้รวมสั่งสอนมาด้วยดีแล้วทําไมต่อสู้กับกิเลสที่ไม่มีโรงเริ่มหนึ่งเรียนก็สู้เขาไม่ได้แพ้เขาจะหลุดลุยก็นอยเดียวหนีท่านไม่ได้ บางตอนก็ต้องฟัดต้องเยี่ยงกันบ้างเป็นธรรมดาพเพราะยีเหลีดมันเคยเรืองอํานาจมานานแล้วเราจะให้มันอยู่ใต้อํานาจมันก็ต้องเอากันเต็มเหนี่ยวนั่นเอาเป็นเอาตายภาวะเดียวถึงค่าจะสละอสละกลงไปสละเพื่อสาระคุณไม่เป็นไรนนเห็นเหตุเห็นผลอะไร จ, จิตใจมันงว่างกระจ่างแจ้งขึ้นใน จ, ใจิตใจอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรือนั่นคือรู้แค่เห็งแค้เป็นลําดับลำดับไป ถ้าประจักษ์ใจแล้วมันต้องอุทานจนได้เออขนาดนี้เหรอรู้แล้วเหรอที่นี่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องทุกข์ในขันทุกข์ในจิตรู้แล้วเหรอเนี่ยสมมูกไทยตัวยึดตัวสําคัญมันหมายคืออะไรมันก็นรู้ในขณะไม่พ้นปัญญาแต่ได้เอาให้ดนให้จังครูบาอาจารย์ที่แถวนี้ทีท่ทำทุกวันนี้มีน้อยมากเลยนะ ไม่มีถ้าปฏิบัติมีเต็มบ้านเต็มเมืองแต่จะหาสาระสำคัญจริงๆนำมาอวดเปื่อนผูงด้วยกันตามความจริงที่รู้เห็นมานั้นมีจานวนน้อยมากอะไรนี่ก็เพราะเหตุอะไรก็เพราะวัตถุเอียบย่ำทำลายนั่นเองไม่ใช่อะไรนะวัตถุตัวสำคัญ เหยียบย่ำทำลายมากวัตถุจเจริญเท่าไรจิตใจยิ่งเสื่อมลงมากเสื่อมลงมากไม่ว่าทางโลกทางธรรมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้กระดาษเขาเสกขึ้นมาเขาเป่าขึ้นมาสมมติขึ้นมาเป็นเงินก็เผาห้อใจพระเราจนได้ทั้งๆ ท, ที่ก็รู้อยู่แล้วว่ากระดาษเอาไปมวนุรีสูกก็เหม็นเขียวจะตายแต่นั้นจะหลง ของปลอมนั้นจักเร็วจิตพอจิตมันปลอมอยู่แล้วเมื่อของปลอมมาผ่านมันก็ติดกันได้ง่ายเพราะนั้นไม่มีความจริงเมื่อปฏิบัติจิตให้ถึงความจริงเป็นขั้นๆมันไปแล้วของจริงอันใดที่ผ่านเข้ามาจะยึดทันทีทันทีส่วนของปลอมฉลัดพับๆออกหนักจิต ด, ดวงเดียวนี่แหละต่างกันบองต้นหนักบ้างหนักก็ทนนี่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 มาทําที่ไหนมีประเท็เป็นเม็ดเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนผงฟังอยากให้เขาเข้าใจมาคุยปฏิบัติเรามาอยากให้เรามาอยากเห็น มีแต่ลมแต่แรงหาตัวกินงไม่มีเดินจงกรมก็เดินแบบลมลมแรงแรงนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ความงวงง่วงอับสงบงงงินปรากฏอับทําขึ้นมาเพราะความเพียรในท่ า, ทาต่างๆไม่ปรากฏนี่แล้วทำใหม่วันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เอานิสัยเก่ามาใช้มันก็เป็นเรื่องนิสัยเก่าอันเก่านั่นแหละไม่ได้ของใหม่อะไรขึ้นมาแปลกจิตแปลใจตัวเอง ก็ยิ่งทาให้ท่อถอยลงทุกวันทุกวันต่อไปคาถาอาคมสุภุวาจันแนะนำสั่งสอนพ่นไปหัวใจทุกวันทุกวันก็เลยกลายเป็นน้ําท่ากันไม่ได้เป็นน้ํายาเลยพราะกิเลสมันชนะกิเลสมันครอบหัวใจน้ําอัด น, น้ําทําเข้าไม่ถึงเหมือนอย่างไฟมันลุลแแรงน้นําไม่พอสู้ไม่ได้เหลือแต่เท่าแต่ฐานเท่านั้น เคยพูดแล้วหนึ่งทุกข์ที่เกิดเพราะอำนาจของกิ่เหล็กนี้ทุกข์มากทุกอย่างฝังจมทุกทุกเพศทุกไปทุกชาติชั้นวันละไม่เลือกหน้าก็คือยิ่เหล็กทาให้คนทุกทําให้สัตว์ทุกอยู่บนหัวใจของคนทุกประเภทในเลือกชาติชั้นวันละใดมันอยู่บนหัวใจกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลา มันได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความเพราะกิเลสทําผิดนี่เราบวช้ามาเพื่อจะแก้ผิดแก้ภยัยอันนี้ด้วยความขายันหมั่นเพียรทําไมเราจะไม่สามารถแก้กรได้มากน้อยเราก็เห็นคุณค่าในความเปลี่ยนของเจิดเคยว้าวุ่นขุณนมัวจะจะจอยู่ตลักเวลาแต่ได้มาเกิดความสงบขึ้นมาเพราะการภาวนานี่เราก็เห็นคุณค่าควรจะขยเยอบขึ้นไปอีก เลยลำดับสติปัญญาท่านนำมาใช้มันก็เกิดคิดให้เกิดก็เกิดชอบคิดอ่านใจตรองเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทางในขัน ย, ย่แย่เดี๋ยวก็แยกขึ้นมาให้เป็นคติเตือนใจเดี๋ยวแยกขึ้นมาเดี๋ยวแยกขึ้นมาให้ได้คติอยู่เรื่อยๆนั่นเรียก ว, ว่าปัญญาเพราะการค้นคว้าหากไปเจอจนได้บางต้นก็ต้องใช่อย่างนั้นซะก่อนปัญญาเมื่อปัญญาก็ เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นผลของตัวที่คิดค้นปัญญาก็มีความขยันหมั่นเพียรไปจนกลายเป็นปัญญาแต่มะมัดไปได้ชีเล็กเบาไปเบาไ ป, ไปความเพียรก็หนักขึ้นเลยลำดับขึ้นมาจนกระทั่งในตัวของเรามีตั้งแต่ความเพียรความจะเอาความจะสู้ท่าเดียวความขี้เกียจจืดค้างหายหน้าไปหมดเพราะเป็นเรื่องของจีเลเบาลงเท่าไหร่ปัญญา สติปัญญาปัทจาความเพียรยิ่งหนักหน้ากิเลสเบาลงเท่าไรทรามก็ยิ่งหนักข้อข้นไปทุกทีทุกทีเอาจนปราบได้อยู่ไม่มีเลยเหลือนั่นทีนี่ความทุกข์ที่เคยดกดถ่วงอะไรหัวใจเพราะพิษของกิเลสมันสร้างขึ้นมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเปลี่ยงไม่มีเหลือจิตจึงว่างไม่มีอะไรเข้ามาเหยีายบย่ำทำลายเหมือนอย่างแต่ก่อน รอะวางหมดแล้วโดยปัญญาปัญญาที่เจนานู้แจ้งเห็นจริงแล้ววางหมดปลอยหมดแล้วก็ว่าง ม, มันจะจิตว่างจากที่เกิดปัญหาอัสตราซึ่งเคยเป็นพิษเป็นภายมาแต่ก่อนความว่างเลยเป็นธรรมทั้งโดวงตรนี้จเจริญของทันมานั้นอ่ะมันดิ่นของอยู่ตามสภาพของมันเหมือนหางจริงเหลนขาด ลุกดิบลุกดิบลุกดิบพอถึงการของมันที่จะสลายตัว hmm. ไม่มีความหมายอะไรตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายเช่นรูปมันก็ไม่ทราบความหมายว่าตัวเป็นรูปเวทนาที่มีอยู่ในขันนี้ก็ไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นเวทนาสัญญาทั้งขานมีญญาณก็เหมือนกัน ม, มันก็คิดก็ปรุงไปอย่างนั้นปรุงไปพร้อมดับไปพร้อมปรุงไปขนาดไหนก็ดับปัญญามันวาดแต่ทับมันก็ดับแต่พร้อมเบญญาณความรับภานในสิ่ต่างๆ ก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าตัวการผลักดันดูพันใหม่เจ้าตัวการนั้นคือกิเลสอวิชชานั่นเองมันหมดขันก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือของถังแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสตมันช้ไปซะจนแหลกพอทําว่างเปล่าได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจ อาศัยขันนั่นแหละทําประโยชน์ให้โลกต่อไปเช่นกับพุทธเจา้าประกาศภาษาประกาศภาษาพนาภาษาวกสั่งสอนทำแก่พุทธบริษัทสัตว์โล ก, กทั่วไปาาก็อาศัยธาตอาศัยขันนี่เมื่อยังครองตัวอยู่กลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปแล้วขันเหล่านี้เพราะกิเลสตายไป ข, นนขันนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมเมื่อขันหมด ความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้ขันก็สลายตัวลงไปตามสภาพอย่างนี้จังทุกขังาตาซึ่งเป็นความสมมุติก็ต้องเป็นไปตามสมมุติขันก็เป็นสมมติแห้จังทุกขังาตาก็เป็นสมมุติลงไปตามสภาพแห่งความคุณของเขา<ม>พูดจะ บ, บริสุทธิ์แล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยนั่นแหละสมหายห่วงพิพานังประมังสุ ข, ขงังหาที่ไหนอืม กิเบ้านจากหัวใจแล้วกันอยู่แล้วตะหานุปาทานที่ไหนอีกเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะกิเลสทั้งหลายเมื่อกิเลสกองทุกข์มันดับไปแล้วจะตปหานุปาทานที่ไหนหลงละหาถ้ารู้แล้วไม่หานิพาทานมังสารมังสุด ข, ขังเป็นอนันตการตลอดกาลไปเลยอนิพทานเทีย่ยงวว่ะนี่ ก็จิตถึงความหิ่มตัวเต็มที่แล้วต่อยวางโดยสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วนั้นใครจะว่าอะไรต่อไปก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะจิตตรงนั้นเป็นจิตที่หมดปัญหาโดยสิ่งเชนะิงจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกล่ะแต่เป็นจะอยู่จะตายก็หมดปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติีม่มีไม่ได้อยู่ในขายย่ายของปัญหาเหมือนโลก ป, ปัญหาโลกแตกนี้เอเท่านั้นธรรมญาที่บายเพื่อนฟัง